ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายปับันนี้จะได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมให้ผู้ข้อว่าวิปัสสนากรรมฐานดังที่ทราบจะแล้ว่ากรรมฐานนั่นเป็นการงานที่ส่งสอนให้บุคคลปฏิบัติในด้านจิตใจ เน้นไปในการขจัดปัท่าลดละจนถึงสงบประงบดับพวกกิเลสประเภทกลางและประเภทที่ละเอียดในส่วนของสมถกรรมฐานมุ่งเน้นไปที่ความสงบนิวรณทั้งห้าประการแต่ตัวการที่จะให้เกิดความสงบนิวรณ น, นั้นคือสมาธิ ในตัวการที่้เกิดสมาธิก็คืออารมณ์ของกรรมฐานต่างๆที่บุคคลใช้ความเพียรสติสั ม, มชัญญาลึกอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจนเกิดเป็นความสงบเมื่อจิตสงบเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตัวสมาธินั่นเองจะทำหน้าที่ขจัดนิวรณ์ตั้งห้าประการให้สงบลงไป เพราะวันชัตนขององค์ฌานทั้งสี่ทั้งทั้งสี่นั้นแม้แต่ในปฐมฌานข้อแรกเมื่อบุคคลปฏิบัติไปถึงก็จะเกิดองค์ฌานพิเศษที่เป็นธรรมะขึ้นภายในจิตอยิยุห้าประการด้วยกันคือวิตกความตรึกที่เป็นกุศลพิจารณความตรองที่เป็นกุศล พิติความเอิบอิ่มใจที่อาศัยสมาธิเป็นสิ่งสร้างให้เกิดขึ้นให้สุขความสบายใจและความสบายกายเอกกตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิคนนี้มาเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบพิวรทั้งห้าประการเป็นคู่ๆไป ที่ตกเมื่อเกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่สงบทีนมิตะคือความงงเงาห้าวนอนซึ่งซึมน้งงอยเงาหดถูเครือบเคลืมพิจารณา เ, เกิดขึ้นจะทําหน้าที่สงบวิจิกิจชาพระพิจารณาเป็นลักษณะของปัญญาวิจิกิจชาเป็นเรื่องของปัญญาที่มีกําลังน้อยคือเป็นอาการของโมหะปีติความอึบอิ่มใจจะสงบพยาบาท สุขก็จะสงบอุทจะกกุกุจะเอกาตาก็จะสงบกามาชันและเมื่อปฏิบัติไปจิตจะประนีตขึ้นไปโดยลำดับองค์ฌานแต่ละข้อก็จะเด่นชัดขึ้นไปจนถึงสงบอย่างแน่วแน่มั่นคงในชั้นของฌานจิตก็จะมีอยู่เฉพาะอุเบกขากับเอกะกะตา คำว่าอุเบกขาแปลว่าจิตที่เข้าไปเพ่งดูอารมณ์ในที่นี้ก็เป็นการเพ่งดูอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปเพราะในจุดนี้เองท่านเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ตนเพ่งดูอยู่ดังนั้นบางครั้งท่านจึงเรียกกรรมฐานทั้งคู่ว่าสมถกรรมฐานนั้นท่านเรียกว่าอารามณูปนิชฌานคือการตั้งสติระลึกเพ่งดูอยู่ที่อารมณ์ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดระลึกในขณะนั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้ตามที่ทรงแสดงไว้ ที่บัสนากับรฐ า, านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือการเพ่งดูลักษณะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นตอนนี้สืบเนื่องมาจากความคิดของคนที่มองโลกในแง่ซึ่งท่านเรียกว่าปิปันลาดคือไม่ทรงต่อความเป็นจริง การมองแนวิปัสสนากรรมฐานก็คือมองในแง่ของความจริงเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของความเห็นที่วิปัสสนาการมองในแนววิปัสสาานั้นคือมองผืนความจริงในสี่เรื่องเรามองจะดีก็เป็นเหตุให้เพิ่มกิเลสโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือตัหา แต่เกิดกำหนดหมายอารมณ์สิ่งต่างๆไขว้คว้าสิ่งต่างๆยื้แย่งเพื่อได้มาทังสิ่งต่างๆจะมีวความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราหรือพวกบารณะที่มีการกำหนดหมายเพลิดเพลินหลงอยู่กับความเป็นของตนซึ่งมีการสมมติบัญญัติไว้ในโอกาสนั้นๆและทิฏฐิคือความปักใจขวางใจ จนไปยึดมั่นถือมั่นที่แรงแรงเอาไว้ในส่วนลึกๆความเห็นเหล่านี้ก็จะปักใจลึกลงไปมากโดยปกติแล้วก็จะเป็นการประรบขันทั้งห้าประการว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีในเราหรือเรามีอยู่ในขันห้าทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามองโลกในแง่ทิวิปลาด แตะมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามเท่เรียกว่าสัญญาวิปลาสมองสิ่งที่ไม vale> as> ่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงที่ท่านเรียกว่านิจจวิปลาสมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่ท่านเรียกว่าสุขาวิปลาสตะมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนกลายเป็นตัวเป็นตนไปที่ท่านเรียกว่าอัตตวิปลาส และความเห็นที่พิปัฒาตนี้ก็จะลึกซึ้งลงไปจากน้อยๆและมีความเข้มข้นสูงขึ้นจนยากที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายเมื่อมีความเห็นวิปัฒนาตนในลักษณะนี้ก็จะมีการกำหนดอารมณ์ทั้งหลายในโลกไปในสองแนวและก่อให้เกิดความกำนัดเพลิดเพลินเรองร่ำ ตัวแรงก็ตัดหาบ้างมานะบัง่งทิฏฐิบ้างตามควรแกร่กรณีของเรื่องนั้นๆันน้แต่เพิงสังเกตว่าความรู้สึกในกระแสของกิเลสนั้นแก่เริ่มจากจุดไหนก็ได้แต่เมื่อความเข้มข้นของสิ่งนี้สูงขึ้นอย่างอื่นก็จะเพิ่มติดตามมาเราจะเริ่มติดตั้นหาจะต้องการความมีความความเป็นในด้านต่างๆ ก็ได้มาแล้วมอมีแล้วมาเป็นแล้วก็เกิดเป็นมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในที่สุดเมื่อมานะสูงขึ้นก็เพิ่มทิฏฐิมีรความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราปากใจฟังใจลงไปอย่างแท้จริงในสุดมันก็กลายเป็นเรื่องการทะเลบบาะวิวาทการแบ่งแยกการระทุสลายทำลายล่างกันอย่างเป็นเป็นพฤติกรรมของโลก ตอนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการมองโลกโดยนัยยะดังกล่าวแล้ในสุดก็จะมีการกําหนดหมายในแง่ของความไม่สวยงามหรือว่าสวยงามก็ได้เพราะถ้ากําหนดในแนวสวยงามกิเลสสายโลภะก็จะเกิดขึ้นกําหนดในแนวไม่สวยงามไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจกิเลสสายโทสะก็เกิดขึ้นแต่ว่าการกําหนดนั้นเพืนสังเกตว่า จะกำหนดอยู่สองสายที่พระเจ้าทรงชายว่ากำหนดโดยอนุพยัญชนะคือแยกส่วนย่อยของบุคคลเหล่านั้นออกมาถึงการแยกย่อยนั้นบางทีแยกในแนวที่ละเอียดบางทีก็แยกในในภาพรวมๆเช่นสมมติว่าประรบถึงคู่สามีพัญญา บอกสามีพัญญาคนนี้พัญญาดีเหลือเกินแต่ผัวไม่ได้ความเลยนี่แสดงว่ามองแยกเพื่นก็นจะชอบใจพอใจยินดีที่จะคบหาสมาคมก็ขวายปัญญาแต่ไม่ต้องการคบหาสมาคมก็ขวายที่เป็นสามีอาการคบหาสมาคมในลักษณะนี้ก็ไม่มีการสนิทสนมกันเพิ่มความรู้สึกแบ่งแยกแต่บางทีนั้น ลักจะมองย่อยลงไปในจุดเล็กๆจึงจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับเรานักเล่นพระเอากล้องมาส่องดูพระเอาแว่นมาส่องดูพระนักดูเพชรเอาเครื่องมือมาส่องดูเพชรมักจะชอบบางส่วนบางมุมแต่ก็ไม่ชอบบางส่วนบางมุมแสดงว่ามีการแยกถือ ไม่ถึงกับไม่ชอบทั้งหมดแต่ก็ไม่ถึงกับชอบทั้งหมดหรือไม่ได้การกําหนดเป็นคนในแง่ของความสวยงามเราจะกําหนดประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนในบุคคลผู้นั้นว่าสวยงามน่าคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดในสายที่จะเพิ่มกิเลสสายโทสะวันนี้อะไรก็ดีละ่ะ เวลามองคนมันยยนโยังไงชอบคนก็แสดงว่าไปเกลียดที่ดวงตาตรงอื่นไม่มีปัญหาแต่ไปเกลียดที่ดวงตาก็เป็นการมองแยกไปกันมันก็เกิดได้ทั้งสายโลภะและเกิดได้ทั้งสายโลภะไอ้โทสะแต่บางทีจะเป็นการมองรวมที่ทรงใช้คาว่าถือโดยนิมิตคือถือรวมลงไปได้ อาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคันเป็นหลังเป็นแปลงก็แล้วแต่ไปถืออะไรการถือในลักษณะนี้ถือได้ทั้งบวกทั้งลบถ้าบวกก็แรงถ้าลบก็แรงเพราะอะไรเพราะหมอบเมารวกไปเลยอรนีไปสังเกตว่าบางครั้งนั้นมีโมหะอยู่สูงในการถืออย่างนั้นเชนสมมติว่าเราไม่ไปถูกชะตากับคน ชาติใดชาติหนึ่งสักคนใดคนหนึ่งแต่โมหะมันอยู่มากแล้ว เ, เราก็พูดเหมาทั้งชาติเลยเช่นไปโกรธกับคนจีนสักคนหนึ่งแล้วก็เหมารวมไปเลยว่าคนจีนนี่ใช้ไม่ได้ทั้งที่คนจีนมีเป็นวัตถุส ก, กิร้อยล้านแต่เราไปโกรธก็คนเดียวท่านหนึง่งเราก็ไปเหมาหมดเลยแต่แนวนี้ถ้าไปรวบในทางดีมันก็ดีหมดเหมือนกัน เช่นว่าไปเจอกับคนจีนก็สงเคราะห์นุเคราะห์เราสักคนหนึ่งบอกแมวคนจีนนี่ดีจริงๆก็ตกลงว่าให้คะแนนหมดเช่นเดียวกันเพราะในสายความรักแกก็เพิ่มรักขึ้นมากในสายโกรธมันก็เพิ่มโกรธขึ้นมากเพราะเป็นการมองรวบเวลาใช้สํานวนอย่างหนึ่งบ่มเอาหลการมองในแนวนี้ พากันตามความเป็นจริงแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็มีได้มากพี่จะมีการเหมาในลักษณะดังกล่าลวเวลาเพิ่มกิเลสสายโลภะก็เพิ่มในสูงเพิ่มกิเลสสายโทสะก็เพิ่มในสูงเชนสมมุติว่ามองคนก็อาจจะมองว่าคนนี้ไม่ดีแต่เพราะใจมันมองเหมามาตั้งแต่ต้น จะเมาไปถึงครอบครัวเขาไปถึงสกุลเขาทั้งๆที่คนในครอบครัวเรากร็รู้จักไม่หมดทุกคนยิ่งคนในสกุลแล้วเราก็รู้จักไม่หมดแต่พราะความคิดในแนวรวบอาจจะมองดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะพอรวบเข้ามันก็เจอทั้งดีและไม่ดีจะในกรณีที่เรามองในแนวไม่ดีแต่เมื่อเรารวบเข้ามันก็ติดคนดีเข้าไปด้วย ก็ทำให้คนดีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมองในแนวดีก็ไปรวบกับคนไม่ดีเขาด้วยเพราะไปรวบขา้าวก็ทำให้คนไม่ดีเกิดได้ประโยชน์ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ควรจะได้แล้วก็กลายเป็นการผิดสูตรในการดำรงชีวิตคือไปยกย่องในคนที่ไม่ควรยกย่องไปตำหนิในคนที่ไม่ควรตำหนิ ก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนั่นคือลักษณะในสังคมที่สืบเนื่องมาจากการมองอะไรไม่ชัดเจนดังนั้นแนวิปัสสนากรรมฐานที่จริงแล้วก็คือเป็นการเพิ่มปริมาณความรู้ในเรื่องนั้นเองในเรื่องที่เราเกี่ยวข้องอยู่นั่นเองได้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นบางครั้งท่นานใช้คำว่าวิจยะคือวิจัยสอดสอกมองให้ลึกลงไป จนเกิดความเข้าใจว่าไอ้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ความรู้ความเห็นได้เรียกว่าวิปัสสนานั้นไม่รู้เมื่เห็นมันก็เป็นเหมือนกับความส ง, งบคือความส ง, งบในความหมายของสมถกรรมฐานนั้นนิวรณ์ต้องสงบไม่ใช่ไปอยู่เงียบๆคนเดียวนิวรณ์ยงังฟุ้งซ่านยังคิดแค้นยังอยากได้ยังงดหูยังเคริ่อเครื่อยังฟุ้งซ่าน แล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิอะไรเพราะนั้นมาเมื่อมองมาในแนวของวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันคือความรู้ความเห็นที่แจม่มแจ้งชัดเจนนั้นจะต้องมีผลเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตคือกิเลสต้องลดลงไปเกิดตัณหา ม, มาณนะทิตินา ท, ทิกล่าวแล้วต้องลดลงไปถาการมองในแนวนี้ที่จริงแล้วก็ทรงสอนทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้อง มาเริ่มต้นจริงๆเราจะเห็นว่าท่านไม่เรียกวิปัสสนาแต่ใช้ปัญญาชั้นหนึ่งคือปัจจเวกขณะก็อยู่ในกลุ่มของวิปัสสนาปัจจเวกขณะนั้นคือให้พิจารณาสิ่งนั้นๆให้เห็นตามความจริงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ตกเป็นาทาสสยบติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเช่นในกรณีของปัจเจศีทรงใชค้คำว่าปัจเจเวกขณะทั้งหมด หมายความว่าพิจารณาวิเคราะห์เจาะจงลงไปจนเกิดความเข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงยกตัวอย่างการบริโภคอาหารตามปกติแล้วการบริโภคอาหารมักบริโภคแนวแนววิปัสสนาคือคลรดเคลื่อนจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริโภคที่แท้จริงมีการปรุงแต่งประดับประดา สูญเสียค่าใช้จ่ายเงินทองไปเป็นนั้นมากแต่ประโยชน์ที่ตัวต้องการจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นประโยชน์จากการบริโภคอาหารก็คือขจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ให้ร่างกายมีกำลังเรียวแรงจเจริญเติบโตสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้แลวก็เท่านั้นเองเพราะนอกนั้นเป็นเรื่องที่เกินความจาเป็นไป ดันั้นพระเจ้าก็สอนให้มองในแนวพิจารณาถ้ะการพิจารณาในแนวนี้บางทีก็เรียกว่าวิปัสนาสมาธิคือให้ปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากความเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนพวามวิปัสนาจึงแปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นพิเศษ ความเห็นในแง่ในมุมต่างๆคือไม่ได้มองอะไรในจุดเดียวก็ลักษณะคล้ายๆกับหยิบของขึ้นมาดูคือมองทุกแง่ทุกมุมของแกแล้วในที่สุดก็สืบเสาะถึงที่ไปที่มาของแกจุดที่จะเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงของแกแต่เราเข้าใจในแนววิปัสสนาเราก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเพราะเรามองเห็นทุกแง่ทุกมุมทุกด้านของสิ่งเหล่านั้น ด้านในเหล่านี้จึงทรงใช้ที่สอนในพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองพิจารณาเป็นประจําก็คือหลักที่สวดกันนั่นเองค้อนี้ไม่ได้แสดงไว้ในทีเดียวแสดงไว้มากเพราะว่าชีวิตที่จะต้องเห็นชัดเจนนั้นที่เรามองเห็นกันอยู่เป็นการมองเห็นในลักษณะที่ฝืนกติธรรมดาดังกล่าว คือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนก็เป็นอัตตาตัวตนอย่างที่กล่าวแล้วดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่จุดใหญ่ของวิปัษษสสนาโดยอาศัยพื้นฐานเดิมคือการมองรวมๆ ห, หรือมองแยกๆของคนแล้วมีผลให้เกิดเป็นกิเลสประเภทโลภะก็ได้โทสะ ก, ก็ได้หรือโมหะก็ได้ ก็ทรงสอนให้มองรวมๆแล้วมองสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือเราประคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือเราแต่เองเพรา ะ, ะดูเราเป็นบทเรียนโลกเรียนชีวิตทั้งหลายในโลกเพราะอดไเพราะว่าเรากับคนอื่นนั้นที่จริงก็มีองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกันคือประกอบด้วยดินน้าลมไฟอากาศวิญญาณเหมือนกันและเป็นคนเกิดขึ้นอาศัยโลกด้วยกัน แต่รอรอรอคอยวันที่ จ, จากโลกนี้ไปด้วยกันต่างคนดักมามือเปล่าด้วยกันแล้วใจกลับมือเปล่าด้วยกันเพราะการเรียนรู้จึงเรียนรู้ที่ตัวเองให้ได้เสก่อนจนเข้าใจตัวเองถึงความจริงในสี่ด้านใหญ่หญ้าด้านทูลแล้วก็อย่างว่าที่จริงเราก็คุ้นคุ่นนย คุณนๆกับเรื่องเหล่านี้คุณจ น, จนจนมองผ่านแต่ว่าสิ่งที่สร้างปัญหาให้แก่เราในชีวิตเราก็คือเรื่องทั้งห้าเรื่องดังนั้นยิงทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นั้นแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงความไม่สวยงามแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงแสดงเห็นถึงความเป็นทุกข์แสดงหเห็นถึงความไม่ใช่ตัวใช่ตน S 1> <S 1> เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดายิ่งเห็นทุกชัดเจนมากยิ่งขึ้นความไม่สวยไป็งามก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอนัตตาเองก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองเราจะเห็นความไม่เที่ยงของตัวเราด้วยของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นด้วยของยาที่ ย, ยายรักษาเราด้วยเราก็เห็นพวกความไม่เที่ยงในแง่มุมต่างๆมากแต่เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ มีแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ความเป็นอนัตตาความไม่เชื่องแล้วประสบเรื่องเปลี่ยนแปลงไปก็เห็นถึงความไม่สวยงามที่เด่นชัดเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าการที่มองมาแต่ก่อนนั้นควาสวยว่างามที่จริงมันไม่สวยไม่งามเพราะฉนั้นท่านจึงเอาศพมาสอนในแนวของอสุภกรรมฐานเพื่อเห็นว่าไม่สวยไม่งาม แต่ในตอนต้นนี้ไม่ได้สอนในลึกขนาดนั้นเอาแต่ว่าให้พิจารณารับก็แล้วกันเรามีการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจตั้งหลายตั้งปลงกไปที่จริงมันพลัดพราดตั้งของรักและของชังแต่ว่าทำไมเพราะว่าการพลาดพลากจากของชังนั้นเราได้สุขท่านจึงไม่สอนให้พิจารณาแต่ว่าการพลาดพลา ด, ด, ด, ดจากของรักนั้นเราได้ทุกข์ มีความโศกความร่ำรวยรำพันความทุกข์ความเสียใจความกลับแค้นใจก็ส่วนส่วนมากก็เกิดขึ้นจากการพลัดพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของเป็นที่รักแต่การพลัดพลากเหล่านั้นแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงความไม่สวยงามแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงแสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาแล้วพอเกิพลาดพลากไปแล้วเราเกิดความทุกข์ก็แสดงเห็นถึงความทุกข์ก็ต้ลงว่าพวกนี้ก็ปนคละกันอยู่อย่างนี้ เชื่อมโยงติดต่อกันอยู่จากนี้แต่ในขณะเดียวกันนั้นในขณะที่มีวิปัสสนาสมาธิจิก็ทรงสอนให้มีกรรมสักตาสมาธิิด้วยเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนแปลงก็ดีความไม่สวยไม่งามก็ดีความทุกข์ก็ดีนั่นและแม้แต่ความเป็นยน้าตามีบางอย่างเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเอง คือสิ่งที่สวยงามเราทำให้ไม่สวยงามตัเองเฉยยบตัวอย่างว่าชีวิตร่างกายก็ไม่ดูแลเอาใจใส่ที่จะถนุถนอมสุขภาพพลาณามัยไว้ไม่ก็เสื่อมโสมสุดโทมไปเร็วแสดงว่าความแกเ่เรานั้นส่วนหนึ่งมันเกิดจากกรรมคือการกระทำของเราเองหรือความเจ็บไข้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบ้างยามันเกิดขึ้นจากการกระทาของเราเองแม้ความตาย ตายเร็วตายช้าหรือว่าตายจริงๆก็บางอย่างบางคราวบางคนก็เกิดขึ้นจากการกระทําของเราและการพลดัดพลา ด, ลาดการสูญเสียบางครั้งคนอยู่กันได้ดีๆเราพูดแต่เขาไม่พอใจแล้วเขาก็หนีไปนี่ก็แสดงว่าการพลาดพลาดนั้นบางอย่างเราสร้างเองบางอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาบางอย่างก็เป็นเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติธรรมดาบางอย่างเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นเมื่อบุคคลไม่ต้องการก็มา เน้นมาตรฐักที่เรื่องของกรรมเพื่อควบคุมการการะทําของบุคคลให้อยู่ในคัลองของกุศลนักรรมและวันนี้ก็จะเดินเรื่อยไปจนถึงขั้นของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้แก่การฐานนั้นเป็นที่ตั้งของปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณา จนมองเห็นสิ่งต่างๆที่กล่าวโดยสรุปแล้วนั่นเองตามความเป็นจริงแต่ลักษณะของอารมณ์ของอารมณ์วิปัสนาถ้าพูดโดยโดยสรุปก็เป็นการสรุปโลกทั้งโลกก็แสดงว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมองในแนววิปัสนาได้ทั้งหมดอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุรัสจรุส ที่พวกคนเข่าค่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค่องอยู่แสดงว่าคนคนที่รู้นั้นมองเห็นโลกในแง่วิปัสสนาแต่คนเข่านั้นไม่ได้มองโลกในแง่ของวิปัสสนาเมื่อไม่ได้มองในแง่ของวิปัสสนาก็มีการยึดการถือเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราดังกล่าวแต่ถ้ามองในแง่ของวิปัสสนาอย่างน้อยก็จะปล่อยวาง ความยึดความถือลงไปแอ็บเบาบางลงไปหรือแม้จะมีการยึดการถือแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จับใจปรับใจยอมรับความจริงก็ไม่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนแต่เมื่อท่านจำแนกพวกอารมณ์ของวิปัสสนาออกไปท่านจำแนกออกไปเป็นเจดสบสองหรืออาจจะนับเจ็ดสิบเอก็ได้นันก็เริ่มต้นที่ขันทั้งหประการ เพราะจริงๆแล้วเราเรียนที่ขันนั่นเองแต่ว่าในความเป็นขันนั้นมันก็มีหลายสัสดส่วนที่จะเอามาเจริญวิปัสสนาได้ทั้งนั้นคือแตะที่จุดไหนก็ได้ขันทั้งห้าประการก็คือรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณนั่นเองแต่ให้มองถึงความจริงที่เป็นเนื้อหาแก่นแท้ของรูปที่เรียวกว่ามองในแง่ของเหตุปัจจัยวพารูปเนี่ย เมื่อเกิดนี่จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อจะดับนี่จะดับได้ยังไงเวทนาตัณญาตังขาบิญญาณเมื่อเกิดนี่จะเกิดได้ยังไงเมื่อจะดับจะจะดับได้ยังไงคราวนี้ท่านก็สอนให้เห็นแต่ละอย่างเป็นห้าลำดับด้วยกันคือปัจจัยประกอบที่เป็นเหตุเกิดหรือเหตุ ด, ดับทั้งห้าประการด้วยกันแ้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่า เพราะรูปเกิดร in ูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะัรูปเกิดอวิชชาจึงเกิดรูปเกิดตัณหาจึงเกิดรูปเกิดกรรมจึงเกิดรูปเกิดอาหารจึงเกิดรูปเกิดบางอย่างเพราะไม่มีเหตุปัจจัยเพราะนั้นแสดงเห็นว่าอวิชชาตัณหากรรมและอาหาร เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นดำรงอยู่เพรันถ้าจะดับเรวก็ไม่ไปดับที่รูปไม่ไปดับที่ขันธ์ห้าแต่ไปดับที่สาเหตุให้เกิดขันธ์ห้าและดับในตัวเหตุที่ให้เกิดยึดปั้นถือปั้นในขันธ์ห้าแต่นั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อรูปดับ อวิชากดับเรื่องวิชาดับรูปกดับปัญหาดับรูปกดับกรรมดับรูปกดับอาหารดับรูปกดับหรือไม่มีปัจจัยรายรูปกดับแสดงเห็นว่าการจะดับมันก็ต้องดับที่เหตุเกิดของมันก็ทำนองที่ว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นนั่นเองไปแก้ปัญหาสาไปถึงต้นเหตุจริง ทนี้ในส่วนของขันห้าในส่วนก็อีกขันสี่คือเวทนาทัญญาตั้งขานวิญญาณก็ เ, เป็นเรื่องของจิตกับเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตมีปัจจัยอย่างเดียวกันก็คงไม่พ้นไปจากอาวิชชาตันหากรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่อาหารแต่เป็นผัดสะอันที่จริงผัดสะก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งอย่างที่เคยทราบแล้ว ว่าอาหารคือสิ่งที่นำผลมาให้หรือปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดผลผลดีหรือไม่ดีไม่รู้เราขึ้นอยู่กับตัวเหตุอ่องแก่ดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสึกต่อไป